ส้นฟันคะรายการสันสนีสนทนานะคะตอนนี้จะเป็นเวลาที่เราจะพาท่านไปพบกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งซึ่งอยู่ไกลถึงอุดรธานีแต่ท่านมักจะพูดเสมอนะคะว่าท่านอยู่ไม่ไกลเพราะท่านมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อุดรกรุงเทพใกล้กันนิดเดียวจี่ฉัก็ไม่เข้าใจว่าท่านหมายถึงเวลาถ้าจิตของเราจะแวบคิดถึงอุดรธานีหรือจะอุดรมากรุงเทพเร็วด้วยหรือเปล่าเดีไปกราบเรียนถามท่านเองก็แล้วกันนะคะกราบธ้องศาส ก, การกับท่านบุญคะเชิญฟอ ถ้าถ้าที่ไหนเนี่ยเดินทางด้วยเครื่องบินไม่เกินสองชั่วโมงเนี่ยนะไม่ไกลหรอกคุณยมติวแล้วก็อุดรธานีนี่เป็นจังหวัดที่มีสนามบินนานาชาติน ะ, ะอะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ไกลเลยแล้วจากสนามบินมาวัดป่าตรงไหนโขกสามสิบนาทีเองค่ะนี่แหละค่ะคือความไม่ไกลของท่านเพริบุตรใช่ <laughs> ว่าเดินทางไปไหนได้ไม่ไกลที่ดิฉันพูดเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไรก็แล้วกันเออแล้วก็ถ้าพูดถึงทางเอาโลกโล ก, ก่อนเลยในยุคนี้มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหม คุณยมเดี๋ยวนั่งอยู่ที่บ้านจะมานั่งที่วัดท่านผู้ฟังนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็สามารถสื่อสารกันได้ฟังวิทยุรายการวิทยุได้ไม่มีปัญหาค่ะนี่คือพูดถึงเรื่องทางโลกโลกแลเราก็มีสิ่งช่วยเหลืออยู่เยอะแตในขณะเดียวกันทางจิตของเรานะอสมมุติถ้าเราระลึกถึงใครสักคนคนหนึ่งอย่างเงี้ยในจิตขอเราก็ว้าไปละนะเราลึกถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งจิตเราก็ว้าไปล่ในตอนนี้ถ้าเรานึกถึงอเมริกาเอ้ยตอนนี้อากาศจะเป็นยังไงนาะในจิตขอเราก็ไปถึงทตินุนละ่ะค่ะ ก็ก็เป็นลักษณะนี้นะค่ะแล้วจิตจิตกับอินเทอร์เนต็ตเนี่ยอะไรเร็วกันกนะพี่คะคุณยมติ ว, ว่าคนที่แสงกับแสงกับไอ้สัญญาณที่มันผ่านทางอินเทอร์เนต็ตอะไรเร็วกว่ากันนะคำตอบก็คือแสงนะงเร็วกว่าแสงเร็วกว่าแน่นอนอเพราะนั้นจิตเนี่ยเร็วกว่าแสงอีกจิตเนี่ยเร็วกว่าแสงอีกใช่วัดได้ไหมคะ ก็มันเร็วจนมันไม่สามารถวัดได้เลยนี่แหละแล้วท ร, <า S 1> ราบได้ยังไงครับว่าเร็วกับแสงอจิตเนี่ยนะมันเป็นลักษณะของสิ่งที่ไม่ได้มีเวลาอยู่ในนั้นในสมมติเวลาเรานั่งสมาธิไปนี่นะถ้าใครเคยนั่งถึงจุดที่เรียวว่าสมาธิมันนิ่งลงไปเลยเยมันไม่มีอะไรเนี่ยเหมือนกับเวลามันหยุดไปเลยนะคุณจมติวะทางที่มันผ่านไปชั่วโมงหนึ่งยี่สิบนาทีเราเหมือนกับรู้สึกแค่ห้านาทีอย่างเงี้ย น, นี่คือลักษณะของเวลาที่มันหยุดไปเพราะว่า จิตของเราเนี่ยที่มันนิ่งอยู่ในลักษณะของที่ว่าเวลาไม่มีโดยที่เราไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรอดีตอนาคตไม่มีไอ้เวลามันหายไปแฮน่ะจิตเข้าถึงสภาวะตรงนั้นได้เนี่ยแต่แสงเข้าไม่ได้นะเออโอ๋อาจารนุมานได้จากการที่เวลานั่งสมาธินี่เวลามันไม่มีเพราะจิตนิ่งใช่นะคะก็เลยอ่าก็เลยมาสนับสนุนความเชื่อที่ว่า จิตเร็วกว่าคอมพิวเตอร์แต่ที่ันว่าเร็วกว่าค่ะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เวลาเราจะคลิกเข้าหาอะไรเนี่ยจะต้องมีระยะเวลาจังหวะที่จะต้องใช้เวลาในการเดินทางนะคะใช่บางพื้นที่ดิฉันเรียกไม่ถูกะคะ่ะที่สัญ ญ, ญาณมันต่ำมั้งคะ ก, กาจะหาได้เจอเนี่ยช้ามากแต่บางที่ก็จะเร็วกว่าแต่จิตเนี่ย นะจิตเนี่ยนึกปุ๊บถึงปั๊บจริงๆถูกต้องมันแทบจะไม่มีเวลาเลยแตนะ่แล้วทาไมเราถึงรู้สึกถึงความมีเวลาอาดีตนะก็ปัจจุบันในขณะที่เราใช้จิตไปนั่นไปนี่นะค่ะนะอันนี้ก็เป็นเพระาะว่าผัสสะต่างๆที่มันมากระทบนะคือถ้าพูดถึงจิตแล้วเนี่ยจิตมันก็เป็นสภาวะที่เป็นตัวของตัวันเองใช่ไหมไม่ได้มีไ อ, อสิ่งที่จะมากระทบอะไรแต่พอมันเริ่มมีการสัมผัสมีภาษสะต่างๆเนี่ยมันก็เลยต้องมีการ ตอบสนองมีเขาเรียกว่าเริ่มมีเวลาเขมาเกี่ยวข้องละเนาะพอมีภาษาต่างๆที่มากระทบเนี่ยเรามีภาษาปุ๊บเราคิดเราตอบสนองไปมันก็เลยเป็นลักษณะของการมีเวลาขึ้นมาพ<ม>ระเจ้าจึงบัญญัติตรงเนี้ยบอกว่าเราเร า, เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องเวลาแล้วกันบัญญัติโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเวลาโดยการใช้หลักของปฏิจจสมุปบาทนีที่บอกอเพาะอะไรมีวิ ญ, ญญาณจึงมีในพระเจ้าก็พูดถึงเพราะมีะสังขาร มีการปรุงแต่งในวิญญาณคือการรับรู้คือจิตของเราเนี่ยจึงมีเกิดขึ้นมาเานาะคือหมายความว่าเป็นเพราะว่าเรายังมีอวิชชาอยู่เรามีตัณหาอยู่ทําให้มันเกิดการบิดเบือนในเรื่องของเวลาที่เราเห็นขึ้นมานะค่ะท่านท่านคุณบุญคดิฉนกำลังคิดตามว่าเรากําลังคุยกันถึงความเร็วของจิตเนี่ยนะคะเร็วานความเร็วของจิตมีประโยชน์และมีโทษอย่างไรหรือไม่คะ จิตเนี่ยถ้าเราพูดถึงประโยชน์ของโทษของความเร็วของจิตเนี่ยนะรพุทธเจ้ า, ก, าก็จะบอกอย่างนี้บอกว่าโทษของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแน่นอนนะประโยชน์ของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแน่นอนนะข้อควรระวังของเขาเนี่ยมีแน่นอนนะเราจะทำยังไงให้พูดถึงว่าจะทําไงให้โทษของมันเนี่ยละไปนะแล้วก็ให้รูุ้บายในการนำออกของตรงนี้นะอจิตพูดถึงความข้อดีของมันคืออะไรคือความเร็วใช่ ในไอจีที่มันเร็วๆเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราจะนึกอะไรคิดอะไรมันก็ไปได้ทันทีใช่ไหมในขณะเดียวการข้อเสียมันก็คือว่าถ้าเราไปคิดเรื่องไม่ดีมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีได้เร็วเหมือนกันเราจึงต้องระวังตรงนี้ถ้าเราคิดตําหนิใครอย่างเงี้ยปุ้ยมันจิตปุ้ยไปแล้วแต่ถ้าคนนั้นเป็นผ้ารานี่โหเราเสื่อมากเลยแต่เราต้องคอยระวังจิตของเราแล้วมันก็ไหวไปตามอารมณ์มีเกาะเกี่ยวในอารมณ์เป็นธรรมชาติที่มันจะเหมือนกับใยแมงมุมที่จะเข้าไปรู้ถึงสิ่งอะไรที่มากระทบกับสายเส้นแมงมุมอย่างเงี้ย ท่านคะเราคิดแล้วผิดด้วยหรอคะก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรใครเลยนะคะแค่คิดเท่านั้นเองคิดนี่เป็นมโนกรรมนะเป็นการกระทำทางทางใจมันไม่ได้ตั้งค่าคิดเลยนะคะมันคิดเอาเองอะคะ่ะมันอยู่ดีๆมันก็คิด <c oughs> ทำไมเป็นเช่นนั้นก็ได้คะเออเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมจิตของเราได้นะคือผู้รู้บอกว่าถ้าตัวพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สามารถมีอานาจเหนือจิต ไหมีอำนาจเหนือจิตก็คือว่าต้องการจะคิดอะไรก็คิดได้ไม่ต้องการจะคิดอะไรก็ไม่คิดได้แต่เพราะฉะนั้นถ้าเรายังยังคิดเรื่องอะไรที่เราต้องการคิดมันคิดไม่ออกไม่ต้องการคิดเรื่องนี้มันดันไปคิดเอาแสดงว่าเรายังไม่มีอำนาจเหนือจิตล่ะสมมติว่าเราต้องพึ่งพาใครสักคนเนี่ยไหมคะแล้ววันหนึ่งเขาก็ให้เราพึ่งไม่ได้อืเขาติดธุระแต่เราก็เลยอยากจะทําให้เขาเห็นว่าฉันมีคนอื่นที่จะให้ฉันพึ่งเหมือนกันนะออื เขาจะได้รู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญขึ้นมาบ้างหรือว่า ร, รู้สึกว่าเอาไม่ควรที่จะไม่ให้เราพึ่งอะไรเงี้ยนะคะเพระจิตคิดแป๊บสิ่งนี้ยผิดแล้วไหมคะเราเป็นทุกข์ทันทีมันผิดตรงที่ว่าเราจะเป็นทุกข์ทันทีนาะเรามีความไม่ใช่มุทิตาหรือไม่ใช่อุเบกขาไม่ใช่กรุณานะไม่ใช่เมตตาเนี่ยอันนี้มันมันไม่ใช่แล้วนะเราจะมีความทุกข์ทันทีเพราะว่าเรามีการผูกเบนนะตรงนั้นอ่ะเนะนะผูกเบนปุ๊บเราเกี่ยวเกาะเกี่ยวแล้วเรา เราเข้าไปหาความทุกข์ใส่ตัวล้วท่านฝั่งลองคิดตามนะคะที่ฉันเชื่อว่าทุกคนคล้ายๆกันหมดแหละไอ้ความคิดเนี่ยมันเกิดอัตโนมัติจริงๆนะแล้วก็โดยเฉพาะความคิดในเชิงลบเนี่ยมันเกิดเร็วๆแม้หมันไส้อะไรเงี้ยนะคะใช่ใช่แค่หมันไส่อย่างนี้ย ก, ก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมแปบม๊บหนึ่งขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ละมันเป็นเป็ น, นเวรเป็นกรรมอะไรยังไงคะท่านคะเป็นการผูกเวรนะช่วงวินาทีนั้นใช่ไหม ท, ทีนี้มันเป็นงี้คุณมสมด็จสมุติจิตของเราเนี่ยถ้ายังไม่ได้ฝึกเนี่ยมันขึ้นลงแน่นอนมันไปตามอารมณ์ที่มากระทบแน่นอนล่ะนะทีนี้ว่าคุณอุ้ ย, ยนี่มันมันเป็นการบุกเวน้นนะไม่ดีเราวางพระวตรงเนี้ยแล้วคุณใช้เวลาเท่าไหร่อ่าถ้าคุณใช้พอระลึกได้ปุ๊บอุ้ยแต่แล้วความรู้นี้ไม่ดีความคิดนี้ไม่ดีวางซะนะสองนา ท, นาทีนาทีหนึงครึง่งวินาทีคุณทําได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งเร็วยิ่งดีนะอเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มนุษย์ธรรมดาๆอย่างเป็นคนรู้ผิดชอบชั่วดี ก็ต้องมีระยะเวลาที่ถลำไปนิดนึงก่อนถลำไปก่อนคือถลำคิดจิตไปแล้วในทางอากุศลก่อนอยู่บ้างพวกที่ไม่ได้ฝึกนะคะถูกไหมคะใช่ใช่ใช่ยังไม่ได้ฝึกถูกต้องค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าจะจะมีสติระลึกรู้รว่าถลำไปแล้วนะเราวางซะ ระหว่างมันไม่ดีวางซาอะอ <c oughs> ได้ไ <c oughs> วขนาดไหนค่ <c oughs> นะถ้าเรายังคิดอยู่นั่นแหละจนกินข้าวเที่ยงรอเที่ยงแล้วก็มานินทายเพื่อนฟังอีกนะจนเย็นนั่นแหละถึงค่อยวางได้โอ้ฉันทำไม่ดีเลยวางตอนเย็นโอ้นี่หลายชั่วโมงอยู่ในขณะที่บางคนอาวางได้ตั้งแต่ก่อนเที่ยงละก่อนไปกินข้าวกินข้าวเที่ยงไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วนะ <c oughs> บางคนวางได้แค่เดินจากกันไปก็วางได้ลนะมันก็อยู่ <c oughs> ที่ระดับของจิตของบุคคลผู้นั้นเนี่ย ฟังเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเรื่องพื้นพๆกับตัวเรานี่เองนะคะว่ามันมีคุณมีโทษอยู่นะ ม, มันเป็นพิษนะคะความคิดที่ไม่ดีนะเป็นพิษมันเหมือนกับสนิมที่กัดกินเหล็กก็คือสนิมในใจของเรานี่ยเองค่ะทีนี้ก็เป็นมนุษย์ธรรมดานะคะเราก็ต้องยอมปล่อยให้มันถล่มบ้านแต่ตอนนี้เรารู้แล้วรู้วิธีแล้วว่าจะทําอย่างไรก็ลองไปใช้ในการดําเนินชีวิตดูอที่ที่จิตมนุษย์ เร็วแบบนี้เนะี่ยเป็นเพราะอะไรครับท่านครับเป็นเพราะกรรมของมนุษย์คนนั้นเพราะสังขารแต่คือการที่จิตมารับรู้เข้าไปทํางานอะไรต่างๆเนี่ยนะมันเป็นเพราะสังขารมีการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งคือการทํางานของมันเนี่ยเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดบรันตลอดคืนไม่มีการหยุด αι, เป็นธรรมชาติที่เกิดดับมีธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดานะแล้วก็ที่มันเป็นอย่างงี้เพราะมีการปรุงแต่งของ จิตเราเกิดขึ้นเราจึงเป็นอย่างนี้นะก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเนาะเหมือนกับอากาศเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งมีพัดบ้างมีนิ่งบ้างมีลมร้อนบ้างลมเย็นบ้างนะเราพยายามที่จะเข้าใจธรรมชาตินี้แล้วก็ทําไงถึงจะหลีกออกจากโทษที่มันมีอยู่ได้เท่านั้นนาะค่ะนั่นก็ถ้าจะให้สรุปตรงนี้ครั้งหนึ่งก่อนก็คือว่าท่านเนี่ยได้พูดว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงทุกสิ่งว่ามีทั้งคุณทั้งโทษอยู่ในตัวทั้งนั้นใช่และ กำลังจะบอกว่าเราเนี่ยดิฉันสันสนีและท่านเนี่ยก็เป็นคนที่มีทั้งสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษอยู่ในตัวน่าเสียดายมากถ้าเป็นโทษที่เราผลิตขึ้นเองโดยการไม่มีสติมากเพียงพอที่จะไปเรื่ออะไรคะละผัดสะที่ไม่ถูกต้องใช่นะคะแล้ ว, แ ล, วแล้วสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยประโยชน์ของมันก็น้อยมากถ้าเปรยียบเทียบกับโทษนะ เออย่างขันห้าอย่างเงี้ยพระพุทธเาบอกว่ามีโทษก็มีอประโยชน์ก็มีโทษก็มีโอ้ยแต่โทษของมันนี่มหาศาลมากเลยพระพุทธเาเวลาบรรยายเรื่องโทษของขันห้าเนี่ยถ้าดูตามหนังสือในตามตำราเนี่ยนะก็ะมันสะี่ถึงห้าหน้าแต่ประโยชน์ของมันนี่พูดแค่ไม่ถึงย่อหน้าหนะึ่งข <laughs> อเหรอค ะ, อะเพรา ะ, ะนั้นประโยชน์ของมันน้อยมากนะประโยชน์ของขันห้าคืออะไรก็ันคะคือความสุขที่เราได้นะสุขสมนนั้อันใดที่เกิดจากขนันตั้งห้าเนี่ยสุขสมอันั้นน่ะคือประโยชน์ของขันตั้งห้าผู้ใจนี่เอง นะประมาณแค่ไม่ถึงย่อหน้าสองบรรทัดสบรรทัดรูปใดเวทนาใดใช่สัญญาใดสังขารวิญญาณใดเนี่ยที่มันทําให้มีความสุขเกิดขึ้นกับเราเนี่ยในความสุขตรงนั้นเนี่ยคือประโยชน์ของขันตั้งหานี้ของสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยนะเวทนาเช่นชอบรักนะคะทําให้เราเกิดความรู้สึกพอใจสัญญาก็จําได้ไหมายรู้ในสิ่งที่เราชอบอแล้วก็สังขารปรุงแต่งในสิ่งที่ปรุงแต่งแล้วเราชอบชความสุข อันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ประโยชน์แค่นี้เอง ใ, ในขณะที่โทษของมันนี้มหาศาลนะเช่นว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะมันจะนำมาซึ่งความที่ไม่เที่ยงนะสิ่งที่เราต้องการเช่นรูปอ่ะผูู้จบรรยายเรื่องรูปก่อนนะรูปสวยใช่ไหมตอนแก่เป็นยังไงตอนป่วยเป็นยังไงนะตายไปแล้ววันหนึ่งเป็นยังไงเจวันเป็นยังไง หรือดกระดูกเป็นยังไงกระดูกไปคนละทางเป็นยังไงกระดูกเป็นผงเป็นยังไงแตกละเอียดหาตัวไม่เจอเป็นยังไงเนี่ยไล่ไปเลยโอ้ oh, oh, เป็นหน้านั่นน่ะนี่คือตัวอย่างของรูปเฉยเฉยนะเวทนาก็มีเอาเวทน า, าพระเจ้าก็รา ย, ยาวมาเลยตั้งแต่เวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่สุขนะเวทนาที่อาศัยอุเบกขาเวทนาที่ไม่อิงเย่าเรือนเวทนาที่เป็นปีติเวทนาภายในเวทนาภายนอกตัวอย่างพวกเนี้ยโอ้โหมันดับได้หมดเลย แล้วจิตล้วเข้าไปจับยึดปล่อยมันมีแต่ทุกๆ์เต็มไปหมดค่ะดังนั้นก็ลองพิจารณาไข้ครวรตามว่าเป็นจริงไหมพระบางคนยังมีความรู้สึกว่าเชื่อนิดนึงยังไม่เชื่ออีกมากใช่นะคะแต่ว่าท่านก็ลองไปพิสูจน์เพราะพระพุทธองค์นั้นในสิ่งที่ท่านตรัสในพิสูจน์ได้ทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าจงเชื่อโดยห้ามสงสยัย <laughs> ตรงนี้คือที่คุณยมติบอกว่าเอ้บางคนก็ยังไม่เชื่อบางคนก็เห็นนิดนึงเนี่ยนะคือถ้าคุณแค่เริ่มจะเห็นภายในในวัตฏะนี้ในวัตฏะส ง, งสารเนี่ยนะถ้าเริ่มเนี่ยดีแล้ว <basta. S 1> นะคือถ้าเรายังเห็นไม่หมดเห็นไม่เต็มเห็นไม่ชัดเจนก็อพอไม่เป็นไรเ <Lemon adas> หร็นนิดเดียวแล้วถ้าคุณเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันน่าขยะแขยงเนี่ยอย่างอุจ ร, ระเนี่ยนะคุณยมตินิดเดียวมันโดนตัวเราเอาขอโทษนะอุจระที่ออกมาจากตัวเราเองเนี่ยมันกระเด็นมาโดนตัวเราเรารีบล้างรีบเช็ดเลยนะ ไม่ต้องพูดถึงอุจระประมาณมากของคนอื่นด้วยซ้ํา <ผม S 1> โอ้ยไม่ต้องพูดถึงอย่างนั้นเลยค่ะแค่สมมุติว่าเหงื่อของเราเนี่ยมันตกลงไปในอาหารที่เราจะรับประทานเออน ะ, ะหรือเศษผ ม, ผมเราเองตกลงมาเน <No. S 2> ในจานอาหารที่เราจะรับประทานอืมเราก็จะมีความรู้สึกหัเนกปรกค่ะไม่ไม่ต้องพูดถึงอผัดไทยเส้นผมนะนะเอาแค่เส้นผมเส้นเดียวของเราด้วยซ้ํานะเออเรารู้สึกว่าโอ้นี่มีไผ่มาก เอาแคนี้พอละพอละนะคุณเห็นภัยตรงนี้ได้ก็พอละไม่ต้องเห็นทุกๆุกชนิดทุกแบบนะถ้าเราเริ่มเห็นแสดงว่าจิตคุณเริ่มมีสมาธิคุณพัฒนาให้ดีขึ้นนะเพราะว่าสมาธิการเอาใจจดใจจ่อตรงนี้จะทําให้คุณยิ่งเห็นได้กว้างขวางขึ้นไม่ได้เห็นแค่ทุกอย่างเดียวเห็นทางออกของทุกด้วยนั่นจะดีมากๆในการฝึกจิตตรงนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่ท่านพิบูลพูดไปเนี่ยจะทําให้ท่านสบายมากขึ้น เข้าใจว่าใจเนี่ยมันสบายขึ้นนะคะพอละวางอะไรได้มากขึ้นปล่อยได้มากขึ้นรู้เท่ารู้ทันไม่ยึดติดอ่าก็เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับผู้ที่ทําได้มันอาจจะแตกต่างกับการที่ไปทํางานแล้วได้เงินนะคะ <Hey. S 1> แต่นี่จริงๆเลยคะ่ะเออบางคนคิดเป็นไม่ได้อะว่าทําแล้วได้อะไรหรออืมอ่าแต่อาจจะยังไม่เคยเข้าใจว่าอะไรที่มันรู้สึกมันมีคุณค่า hmm. แบบ่ไปซื้อไม่ได้ และคนอื่นให้ไม่ได้ต่างหากใช่รู้ได้เฉ<ช><ช>พาะตนนั่นค่ะและเราก็คงจะบอกท่านได้แค่นี้แหละส่วนท่านจะรู้สึกได้นี่ต้องไปปฏิบัติเองวันนี้นมรส ก, การของพระคุณท่านคือบุญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเะรียนบอนการมรสการค่ะพระนางทิศคโยคะที่ชั้นสรรเสรินักพงศ์นะคะก็กําลังจะบอกท่านว่าสําหรับวัดป่าดอนหายโศกนั้นจะมีกรินในวันที่11บพฤศจิกายน ท, านท่านที่มีความประสงค์จะไปทาบุญเข้าไปกันเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีอําเภอหนองหาน ไปที่ท่ารถหรือว่าท่าเรือบินคือสนามบินก็สามารถที่จะไปที่วัดได้ถูกค่ะถ้าไปไม่ได้จะไปผ่านบัญชีธนาคารก็ชื่อของวัดเหมือนกันนะคะวัดป่าดอนหายโศกธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรวิกซีหมายเลขเก้าห้า7ูขี 9. ดศูนขีดศูนสี่สี่เจ็ดสี่ถึงเก้าฉันได้ฝาก เบอร์โทรศัพท์หมายเลขทั้งหลายเนี่ยไว้กับทางสถานีแล้วเผื่อพลาดพลั้งยังไงก็ขอถามไปได้ที่022690006นะคะเบอร์เดียวกันนั้นท่านขอหนังสือพู้ทวจนะที่พระอาจารย์คริสต์โสธิเปโลวัฒนาประพง์ท่านมอบให้มาก็ได้และวัฒนาประพงศ์ก็จะทอดกระถินเหมือนกันนะคะวันที่4เดือนพฤศจิกายนวัด น, นี้อยู่ที่ลำลูกกาคลองสิปทุมธา น, นีค่ะ วันนี้เราคงจะลาท่านฟังที่เคารพทุกท่านไปตะเพียงเท่านี้นะคะติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าส่วนพรุ่งนี้มรืนนี้ฟังท่านพิบูณที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลาเดียวกันที่ได้เลยค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพุทวนสวสดีค่ะ